เรื่องเล่าผีหลอนตอนสัญญาที่โรงพยาบาลเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เจ้าของเรื่องได้เล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเราอยากจะเล่าพร้อมกับมีคำถามบางคำถามที่ยังคาใจและยังหาคำตอบไม่ได้ โดยเมื่อห้าปีก่อนสมัยที่เราขึ้นกรุงเทพมาเรียนมหาวิทยาลัยเราสุขภาพอ่อนแอมากป่วยแล้วป่วยอีกแอดมิรเข้าโรงพยาบาลต้นเดือนท้ายเดือนการเรียนก็ตกร่างกายเหมือนรถที่เก่าๆเดี๋ยวก็พังตรงนั้นเดี๋ยวก็พังตรงนี้เราไม่มีความรู้เรื่องโรงพยาบาลในกรุงเทพเลย จะไปหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆก็คิวยาวก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอ ก, กชนแห่งหนึ่งในแหล่งธุรกิจเราแอดมิตที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ 2-3 ถึงครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เจอเหตุการณ์บางอย่างจนทำให้เราไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้อีกเลยต้องขอออกตัวก่อนว่า เราเป็นคนจิตแข็งไม่ค่อยกลัวผีไม่ได้มีสัมผัสอะไรไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับใดๆแบบจ่าจ่ไม่ใช่คนชอบทําบุญกับวัดแต่นานๆทีจะได้ยินเสียงแปลกๆบ้างแต่คนที่กลัวจับใจก็คือรูเมตของเราเวลาที่ป่วยคนที่เป็นนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลก็คือรูเมตของเรานี่แหละครั้งนั้น เราทอนสิ้นอักเสบจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลช่วงบ่ายๆหมอก็ให้แอดมิดเพราะว่าไข้ขึ้น40องศากลับหอไปก็ไม่มีใครดูแลก็ได้แต่นอนแมพอยู่บนเตียงเฉยๆรูเมดมาส่งเราแล้วก็กลับไปเรียนตอนเย็นต่อปล่อยให้เรานอนพักอยู่ในห้องคนเดียวเราก็เหมือนกับสลึมสลือแปลกๆอย่างบอกไม่ถูก แต่เห็นปลายเตียงมีผู้หญิงผมยาวประบาคนหนึ่งในชุดคนไขย้ยืนอยู่ตัวของเธอค่อนข้างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน155ห้าเซนติเมตรรูปร่างผอมแห้งเหมือนกับคนป่วยทั่วไปผิวขาวซีดออกเหลืองเธอมองมาที่เราหน้าไม่บึง้งไม่ยิ้มทำหน้าเฉยเฉยแล้วเธอก็พูดเสียงเรียบๆออกมาว่า เตียงนี้เป็นของฉันแต่รู้ว่าเธอป่วยไม่ได้จะมาทวงเตียงหรอกแต่ขออะไรสักอย่างได้ไหมขอตาหน่อยเธอพูดเสียงเรียบๆพร้อมกับประโยคแปลกๆเราก็มีอาการสลืมสลือแต่ก็ตอบกลับเธอในแทบจะทันทีว่าไม่ได้ในใจตอนนั้นคิดแต่ว่าเรายกตาให้ใครไม่ได้ ถ้ายกให้แล้วจะเอาอะไรใช้ละ่ะต้องใช้ตาตอนนี้ให้ไม่ได้จริงๆอย่างอื่นได้ไหมขนาดเราป่วยและไม่มีสติดีเท่าไหร่นักแต่เราก็ยังจะต่อรองกับเธอจนได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอเป็นเลือด เราก็ตอบตกลงไปอย่างไม่ได้คิดอะไรตั้งใจว่าถ้าหายดีเมื่อไรจะไปบริจาคเลือดให้กับเธอเพราะสมัยเรียนมัธยมปลายเราก็ไปบริจาคเลือดอยู่บ่อยๆเธอาหายไปพร้อมกับความฝันแปลกๆในคืนนั้นของเราเราฝันว่าเราเป็นคนป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดแต่หาเลือดได้ยากลำบากมาก ร่างกายก็สุดโทมไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตในที่สุดเราตื่นมาก็ไม่กล้าเล่าสิ่งที่เจอกับสิ่งที่ฝันให้รู้เมทที่มาเฝ้าไข้ฟังเพราะกลัวว่าเธอจะงองแงกลัวผีแล้วจะหนีกลับไม่ยอมอยู่ต่อแต่สุดท้ายก็มีเรื่องแปลกๆที่ทำให้เราต้องเล่าอยู่ดี เพราะคืนก่อนวันที่เราจะออกจากโรงพยาบาลช่วงเวลาประมาณตีสถึงตีสเรางวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงรูมเมทของเรานั้นนอนอยู่ตรงโซฟาข้างๆผู้ชายคนหนึ่งผมสกินเฮดเหมือนกับศีสะล้านใส่แว่นกรอบทรงกลมใส่เสื้อเหมือนเสื้อบุรุษพยาบาลหรือไม่ก็เทคนิคการแพทย์ เขามาเจาะเลือดเราไปสองเข็มใหญ่ๆเราที่กำลังง่วงก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงพอหลับไปก็ตื่นขึ้นมาอีกทีที่แขนก็มีรอยเข็มฉีดยาแต่ไม่มีพลาสเตอร์แปะห้ามเลือดเหมือนเวลาที่เจาะเลือดตามปกติเรางงงมึนๆหัวตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่ เราก็เลยถามพยาบาลที่เข้ามาวัดไข้ตอนเช้าว่ามีใครเข้ามาเจาะเลือดหรือเปล่าพยาบาลก็บอกว่าไม่มีอะไรคุณหมอไม่ได้สั่งเจาะเลือดเช็คเลือดอะไรพอเราถามถึงบุรุษพยาบาลตามที่เราเห็นเขาก็บอกแต่ว่าไม่มีคนลักษณะแบบนั้นไม่เห็นคนลักษณะแบบนั้นเลยด้วยพอเราเล่าเรื่องนี้ให้รูมเมดฟัง ตอนแรกก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่มีผู้หญิงมาขอเลือดรูเมตของเราก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นรูเมตก็บอกว่าน่ากลัวแต่แล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปจนวันนี้ที่มีเพื่อนพูดชื่อโรงพยาบาล น, นี้ขึ้นมาเราก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้และเล่าให้เพื่อนคนนั้นฟังอีกครั้ง คราวนี้รูเมทฟังตั้งแต่ต้นจนจบเธอก็ย้อนถามเราว่าแน่ใจหรือว่าคนที่มาเอาเลือดไปนั้นเป็นคนเราก็ไม่รู้คำตอบนั้นเลยจริงๆแต่ที่แน่ๆในวงนั้นทุกคนคนลุกอย่างประหลาดเมื่อเราบอกว่ามีคนมาเจาะเอาเลือดเราไปสองหลอดใหญ่ๆส่วนเรื่องคำสัญญา ตลอดห้าปีมานี้เราไม่เคยมีโอกาสทำให้เธอสักครั้งเพราะไปบริจาคเลือดที่สภากาชาติกี่ครั้งก็เลือดลอยนอนไม่พอโปรตีนไม่พอบริจาคไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเลือดที่เจาะไปนั้นนับไหมว่าให้เลือดเธอไปแล้วไม่รู้ว่าเธอจะเข้าใจไหมว่าเราบริจาคเลือดให้เธอตามสัญญาไม่ได้ แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเธอไม่เคยทวงสัญญาสักครั้งส่วนตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปเหยียบโรงพยาบาล น, นั้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างต่างอย่าลืมกด Subscribe ช่อง เรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ